พิมพิสารสมาคมกระถาว่าด้วยสมาคมของพระเจ้าพิมพิสารเรื่องสวนการหนุ่มข้อห5ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะตำบลขยาศีสะตามพระอัทยาศัยแล้วได้เสด็จจาริกไปทางกรุงราชครึกพร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่ 1,000 รูปล้วนเคยเป็นชดินทั้งนั้น สเสด็จจารึกไปตามลำดับจนถึงกรุงราชคฤห์ทราบว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณต้นไทรต้นหนึ่งชื่อว่าสุประดิท์าเจดีในสวนตาลหนุ่มเขตกรุงราชคฤห์นั้นพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพมคตรัฐได้ทรงสดับข่าวว่าท่านพระสมณะโคดมเป็นสกยะบุตรเสด็จออกผนวดจากสกยตระกูลสเสด็จถึงกรุงราชคฤห์โดยลาดับประทับอยู่ณควงต้นไทรต้นหนึ่ง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 และมีความงามในที่สุดทรงประกาศพรมจรรันทร์พร้อมทั้งอัฏถะและพยัญชนะบริบูรณ์บริสุทธิ์ครบถ้วนการได้พบพระอาราหันต์ทั้งหลายเช่นนี้เป็นความดีอย่างแท้จริง